อาศัยการฟังเรียนรั ด, ดเพื่อจะได้ไม่สุ่มหาที่นี่เราฝึกกรรมฐานไม่ใช่การเรียนรู้ถูกหัดทำให้เป็นถูกหัดอะไรอะไรเป็นกรรมฐาน <c oughs> กรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งทำอะไรตั้งอะไรเอาสติมาตั้งไว้ที่กายไี้ว่าฐานแล้วก็มีการกระทาให้มีความรู้สึกตัวอยู่ไปในกาย รู้คืออะไรรู้สึกตัวคืออะไรไม่ใช่คิดรู้สัมผัสเป็นการสัมผัสราว่าความรู้สึกเนี่ยเอาสติไปต่อออกับกายให้กายรู้สึกให้ใจรู้สึกดูกายอาจจะไปเห็นจีดใจเพราะใจมันมี การเคลื่อนไหวเหมือนกันการเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวของใจคือคิดนึกฉุกทุกขอะไรต่างๆมาจ ะ, จะแสดงแล้วก็อย่าไปตั้งไว้ที่ใจให้มาตั้งที่กายมันเกิดไหลขึ้นเกี่ยวกับใจให้รู้สึกตกับมาหาที่ตั้งมีกายเป็นที่ตั้ง กายมันเป็นลูกมันเป็นดุ้นสัมผัสได้ใจไม่มีดุ้นหมีก้อนจะลูกต่อเมื่อมันคิดขึ้นมามันสุกมันทุกขขึ้นมาถ้าไปอาศสยจิตใจให้หมีที่ตั้งมันตั้งมาอยู่เหมือนกับโลกเมืองในก้อนเมฆ ก, ก้อนเมฆมันก็ไหลไปเรื่อย บางทีก็หมดไปบางทีก็ตั้งขึ้นใหม่สิ่งที่เกิดเกือบใจเหมือนกับล่มเงาในก้อนเมฆความสุขก็เหมือนพึ่งล่มเมาความสุขที่เกิดจากใจเหมือนพึ่งล่มเงาก้อนเมฆเย็นนิดหน่อยแล้วก็ร้อนอีกไม่กี่หลังยั่งเยิน จบ ก, กี่ครัง้งทุกกี่ครั้งเกิดกับใจมันหมายถึงเงาคนเราก็ไม่รู้นึกว่าเราซะจบทุกเป็นเรื่องของใจใจให้สุกก็สุกที่ใจให้ทุกก็ทุกทุกสุกทุกหลอกเราอยู่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่บางทีมัน มีมากขึ้นเส้อด้วยเราจึงไม่ไม่ไปเอาใจเป็นที่ตั้งแต่เราสอนวังเวลาม่คิดไปให้กลับมาตั้งไว้ที่กายสัมผัสสัมปัดควมรู้สึกตัวที่กายเอากายมาสัมผัสควมรู้สึกตัวมีรสชาติอย่างไรระหว่างความรู้กับความหลง มันก็ย่อมมีหลงบางทีเราไม่เคยเค อ, อย่างเคลื่อนไหวเราก็ทำยังานเอาตามแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้าทำยัางานกู้เฉนเข้ารู้สึกตัวกู้แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแหนอกรู้สึกตัวมีการเหยียดแขนกู้เขนเคลื่อนไหวไม่ใช่ชิดเอา สองผัดมันคิดลูกสิบตัวมันเคลื่อนไหวรูปสึกตัวไม่ถ้าไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ต้องรูปอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยมันก็ไม่ไม่เจริญเราจึงขยันลูปขยันเคลื่อนไหวขยันเคลื่อนไหวให้มันรูปบ่อยๆให้มากรูปโดยเฉพาะรูปแบบของกรรมฐาน ที่หลวงพ่อเถียนเอามาสอน14รูวินาทีหนึ่งอาจจะรูเท่าหลงสองวินาทีก็รูสองข้างสวินาทีสี่วินาที14จังหวะรูตั้ง14ข้างไปในวินาทีละรูมันก็จะไม่มากขึ้น อะไรที่มันไม่ใช่ความรูปเปลี่ยนมาเป็นครูรูปไปทั้งหมดหัดให้มันเป็นแต่ก่อนเราไม่เคยหัดตรงนี้ถ้ามันหลงหลงก็เป็นหลงก็มันทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้ามันโกรธโกรธ ก, ก็เป็นโกรธหวนลอกหวานเกียดชังก็เป็นลักไปเกียดติงไปไม่จบไม่สิ้นบทนี้เร า, าหัดถ้ามันหลงเป็นรูปซะ มันหลังมือเหมือนหน้ามือเปลี่ยนลองดูหลงเหมือนหลังมือปิดไวแล้วไม่เห็นข้างหงายขึ้นเหมือนหน้ามือลูกพระเจ้าบอกว่าหงายของที่พ่วงเปิดของที่ปิดถ้าหลงเป็นยังงไนลูกเป็นยังไงถามผัดดูอะไรมันถูกต้อง เย่มัวแต่ระคิดหาเหตุหผลตาบางความรู้ระหว่างความหลงเนี่ยไม่ต้องใช่มันสมองไม่ต้องใช้ความคิดใครจะมีสติปัญญาอย่างไรบางไม่เอามาใช้เลยให้สัมผัสถ้าจะเอาความรู้มาเกี่ยวข้องเหตุผลมาเกี่ยวข้องไม่ใช่พระศีรัตถ์รู้มาจิตเกิดศาสตร์ ไม่ได้เป็นพระเจ้าอะไรก็เอเหเราวผลบางทีนั่งอยู่ต้นโพคิดถึงพิมพ่าพิมพา่พมพาก็เป็นอัครเหสีที่รักนางผลก็เป็นลูกชายที่รักเพิ่งประสูตรได้เจ็ดวันตตองมออยู่นี่ทำไม เหตุผลก็ต้องดีถ้าไปหาลูกหาเหมียก็อาจะดีถ้ามานั่งอยู่คนเดียวนี่มีประโยชน์อะไถ้าเอาเหตุอผลนั่งไม่ลงต้องไปแล้วกบิลพัแล้วนั่นไม่ใช่ถ้าเอาเหตุผลกับความคิดมีทั้งนั้นใครก็คิดได้ผิดถูกคิดได้แต่ก็ผิดความถูกก็จากความคิด ใครใครก็เป็นบบบนี้ไม่เอาเหตุเอาผลนั่นมาตัดสินใจเอาการกระทานี่ามาชิดไปกลับมาอย่าไปตามกวพิดถ้าเราทําตามความคิดทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทั้งหมดแล้วแต่มาชิดอะไความรักกลายเป็นความเพียดชงังความเพียดชังกลายเป็นความรักได้ ความพอใจความไม่พอใจเป็นอย่างนั้นเรียกว่านาลมไม่แน่ไม่จริงไม่ใช่ตัวใช่ตนพอผคิดไปกลับมามันคิดไปทีข้างกลับมาเท่านั้นคิดหนึง่งข้างลู่หนึ่งข้างคิดสองข้างลู่ถึงสองข้างร้อยข้างฝนหนูลู่กลับมารอยข้างฝนหน มันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างความคิดระหว่างความลูกอะไรมาถูกต้องความหลงความลูกอะไรมาถูกต้องอะไรเป็นธรรมต่อชีวิตเราสัมผัสดูไม่ต้องมีคําถามให้สัมผสัสเอาตั้งเหตุผลถามได้ทุกคนตอบได้ทุกคนคนฆ่ากันตายเขาไม่เหตุไ ม, หตไม่ผลที่ลูกถึงเมียกพรเหตุเพผล เหตุผลถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดเหตุผลเดีเป็นเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีก็มีเหตุผลไม่ใช่เกิดจากความคิดมันเกิดจากอะไรที่มามาก่อนอย่างศรัทธาอย่างเนี้ยศรัทธาเนยเชื่อเชื่อ เฉยๆไม่พต้องมีความเพียรทำจิตที่เชื่อนั่นเมื่อเชื่อจิตไล้ต้องทําถึงนั่นดูมีความเพียรเข้าไปเกี่ยวกับศรัทธาเมื่อเชื่อแล้วต้องมีใจใส่อยู่เสมอหนึ่งศรัทธาสองมีความเพียรสามีจิตใจใส่อยู่เสมอทําถึงนั่นคิดจิตนั่นเมื่อมีใจใส่ก็เวลามันหลงจาก ศรัทธาหลงจากความเพียรหลงจากใส่ใจมันหลงผิดพลาทั้งเกินเรียกว่าเปลี่ยนมาที่เก่าก็เรียกว่ารมวิยะสอดท่องเปลี่ยนมันมาให้ที่ที่เก่าให้มีศรัทธาให้มีความเพียรไม่ีจิตใจใส่เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอันนอกจากศรัทธานอกจากความเพียร น, นอกจากจิตใจนี้มาเป็นอันเดิม จึงจะสำเร็จไม่ใช่ศรัทธาลอยๆเราเชื่อถึงใดต้องทำถึงนั่นต้องประกอบถึงนั่นสใส่ใจถึงนั่นอย่าทอดอย่าทิ้งเช่นเราศรัทธาเราลักกันสามีพัญญาสัทธาเชื่อกันมั่นใจเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เพียนประกอบในความรักในความพอจะอยู่เสมอเอาใจใส่อยู่เสมอ อย่าโทษจย่ทิ้งเวลามันชิดไปทังอื่นจะเกียกันเปลี่ยนมาเอา้ามาแล้วเยาว่าเปลี่ยนล่เป็นดีให้มาเป็นอันเดียวสำเร็จการของบ้านของเรือนของสามีภรรยาของการของขอ ง, งานสำเร็จนี่ก็เหมือนกันเรามีเห็นว่าควมหลงไม่ถูกต้องควมรู้ถูกต้อง ก็ต้องขย้อนรู้ไว้เวลามันหลงเปลี่ยนหลงทันทีอย่าให้มันหลงเป็นหลงมันจะทำเป็นที่แรกก็หัดหัดไปหัดมาต่อไปไม่ต้องหัดเพราะมันเต็นแล้วการมันหลงมันรู้มันเคยแล้วความหลงเป็นความรู้ความทุกข์เป็นความรู้ความโกรธเป็นความรู้อะไรก็ไม่ใช่อะไรที่มัน นอกเข่าความรู้ไปใช่ไหมอะไรังนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งหมดเ <c oughs> มื่อรูปมากๆเข้าระหว่างรูประหว่างหลงมันมีสอันตัวนี้ระหว่างรูประหว่างหลงถ้าหลงน้อยหลงความรู้ก็เพิ่มขึ้นจนความหลงไม่ไม่เชื่องอกขึ้นมาได้ไม่แต่ความรู้ขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกายเป็นใหญ่ในจิตใจ เดี๋ยวนี้ความหลงกับความรู้ในกายในใจเราอะไรมันเป็นใหญ่กว่ากันชีวิตเรามาถึงวันนี้ระหว่างหลงกับความรู้อันไหนมันมากกว่ากันตอบเอาหนอนทีหนึ่งวิดาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอยากรู้ก็ทำลองดูโดนเจกรมชกสามทีนาที สามที่นัาทีกัเก้านั้นก็วินาทีหนึ่งแตกแทกลู่ทุกทุกเก้ามันจะมีไหมมันจะมีความรู้สองสิบวินาทีไหมหนึ่งหน้าที่เหมือนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเคยหลงเพราะเราจึงหัดตรงนี้ถ้าหัดนี่เป็นแล้วมันไม่หลงมันเป็นเหมือนเราเรียนหนังสือแล้วมัน มันเรียนรู้แล้วก็ไม่ลืมไม่ใช่เรื่องจามันเป็นการสัมผัสต่ก่อนก็ไกอยู่กระดานตจอนี่ก่ไกไม่ได้ย่กระดานพอจะเขียนก่อไกก็เห็นแล้วเป็นภาพแล้วออกมาเขียนได้แต่ภาพที่รู้นก็เหมือนกันนั่นไม่มีคำว่าจะไปเขียนกอไก่เป็น อันอื่นมันเขียนไม่ได้ชีวิตเราันต้องมีความรู้เท่านั้นเป็นใหญ่จึงจะเป็นธรรมอันนี้ต้องตอบเองไม่ต้องมีคำถามสัจธรรมไม่ใช่มีคำถามมีแต่คาตอบคนอื่นตอบไม่ได้เราต้องตอบเองนี่คือสั <c oughs> จธรรมผู้ปฏิบัต พอยอมรู้ยิ่งเหน็นจริงในทำที่คนรู้คนเหตุตามทุกคนแจ่ผู้ปฏิบัติคนที่หลงก็ได้ความหลงเรวยไปจนตายคนที่ไม่เคยเปลี่ยนก็กวดความทุกข์เรืยไปจนตายหลง ก, น ก, งกจนตายทุกข์จนตายโกจนตายวันนี้ถ้ามันหลงผู้นี้ก็ต้องหลงชั่วโมงนี้ถ้ามันหลงชั่วโมงหน้าก็ต้องหลงถ้าชั่วโวงนี้ไม่หลงชั่วโมงหน้าก็ไม่หลง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 ถ้าจะทำไปอย่างนี้ของใครของเราเราโกรธเราโกรธตัวเองเราทุกข์โกรทุกเองเราไม่จะจะไม่โกรธก็ต้องแค่วเองถ้าจะไม่ทุกข์ก็ต้องแค่วเองบางทีเราไม่แค่แม่คนอื่นไปห้ามก็มาโยอมอย่าโกรธตัวเพื่อนอย่าโกรธตัวไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ ไม่อยอมมันทําแบบนี้ยราต้องโกรธมันต้าโกรธเท่าไรพอกูต้องด่ า, ดดามันให้ได้เท่าไหนบอกูต้องฆ่ามันให้ได้ไปใหญ่เลยจะใครให้ใครบอกก็ไม่ได้มีกฎหมายมีโทษอาญาติดคุกติดตลาดก็ก็อออยอมถ้ามันโกรธรู้อํานาจของโกรธได้เราจึงมาเห็นเราเอง มนโกรธไป็นไงกลัวมไม่โกรธไปนไงมันต่างกันอยู่คลัมทุกเป็นไงคลัมไม่ทุกเป็ไงต่างกันอยู่หลงสัมผัสดูชีวิตเราต้องสัมผัสไม่ใช่เรียนรู้การสัมผัสนี่ต้องหาตัวเองมาเริ่มต้นจากสภาพที่รู้เราก็จะเจอความหลงคู่กันพอดี ระหว่างรูระหว่างหลงคู่กันพอดีเวลามาหลงเปลี่ยนเป็นรูเวลามาหลงเปลี่ยนเป็นรูจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีคืออะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีทุกมันไม่ดีใครก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราเคยเปลี่ยนไหม เลิ่มันทุกข์เปลี่ยนทันทีมีไหมทันทีความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนไม่อยอมเปลี่ยนยิ่งเพาใจในความทุกข์คิดเรื่องทุกข์คิดได้คิดดีไม่อยอมปล่อยวางนี่แบบ น, นี้แพ้บรรทุกขึ้นมาเปลี่ยนเลยแล้วมันหลงขึ้นมาเปลี่ยนเลยแล้มโกรกขึ้นมาเปลี่ยนเลย ทันทีมันมีคู่อยู่ให้เปลี่ยนทันทีแล้วก็ขยันลูกอย่านานเกินไปของลูกเหมือนเราลำนำท่องโทงหลังสือถ้นานานไปท่องเอยก็ลืมง่ายไม่ติดถ้าท่องติดต่อกันมันก็ติดจ้า เมื่อกราททำงานทำอะไรต่อกันต่อกันติดได้คห้องตัวแต่เมื่อก่อนเคยเป็นเนนท้องหลอกสูตรต้องทำาชัตนตฮ้ยคูว่าเี็นในบัญญตัติอุาสร์ค ป, ประจักษ์ี้ใช่สยิกรีสประจักษ์หรือไงจ๊ะคล่องตั้งแต่เป็นเนนยังเจมหน้าอยู่ค่องสวดมน ท่องทำวัดแต่ถ้าเราไม่เป็นก็หัดจับหนังสือถ้ามันติดแลเราปัญจจับหนังสือมบางทีมันเห็นหน้านด้วยบทนั่นอยู่หน้าไหนเพราะว่าเป็นโมกมีผู้นำเพิ่มเติมโอ้ว่าเป็นโมฆะคาถ า, าอยู่แล้วก็ว่าเลย ถ้าขึ้นโอวาไปโมก็หมายถึงบทนั้นถ้างขึ้นดีค่าการะถาก็หมายถึงบทนั้นขึ้นจังหวะแบบหนึ่งก็ต้องก็ต้องสวดอีแบบนั่งวิธีสวดม น, นั้นมันมีการนำต้นเสียง เราเคยขึ้นว่าตอนทำอย่างพุทธะภวตัวโอพพะคานามกาลังกโลมาเซล้วก็ต้องนมโมพพะโมตัสสะภวตอราตสมมาสมุทตะนมโมพพะโมตัสสะภวตอราตสมมาสมุทตะมันคนเํานองกันได้ ข, ขึ้นแบบนั่นก็วก็ นาโมตจะปะกวาโตอะระหะโตสะมาสะโมตระท้าบเรลงมันชำนานนั่นก็เคลนแบบอันธรรมยาุทพตสสะภาวะโตต้องบอกนาโมตจะภะวะโตอะระหะโตสะมาสะโมตระ ถ้าเขาขึ้นแบบนั้นนโมตจจะภะคะวะโตอะระหะโตเขาต้องไหวอยู่แบบนั้นโมเขาคนขึ้นบอกว่านโมตจจะภะคะวะโตอะระหะโตจามาสะโพตจามาทะสะภะคะวะอันนี้เขาเรียกว่าทานองร่องแก้วทานองสังโยชน์นโมตจจะภะคะวะโต โอระหะโตสมาสมโมต้าสะนามหะต้าสะภะกวะโตว่ากันไปคนละท่านน้องทำไม่ถ้ามีเวลาถ้างานด่วนงานพิธีพิธีเขาน้อยๆโดยเฉพาะตะวั น, นเวลาเขาน้อย แต่งตัวไปทำงานมาใส่บาทก็ต้องว่าลงแก้วใหช่าหน่อยโอ๋โะมาเป็นมตตาชาวุทานตังทิเมะราภุกขิตโกชาเชนมาลังาณาจิตัง้ว่ามาสังโยกโอ๋โะจะมาเปนเณเมตตา Yeah. มันติดได้เหมือน computer, คอมพิวเตอร์ชีวิตของเรานะมันติดอะไรมาไปจริตนิสัยแบบไหนราคาจริตง่ายที่จะราคามีเกณฑตัณหามากมายโตสะจริตอะไรเอาทอจออกน้าพอใจไม่พอใจโมหะจริต มีแต่ความหลองออกหน้าพุทธจลิทไม่ีความรู้สึกออกหน้าฟังโหยโหยรู้สึมันติดว่างกันเดี๋ยวนี้อะไรออกหน้าคิตของเราเห็นรูปพอใจเห็นรูปไม่พอใจจลิตบางคนนะเห็นรูปเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้น มันเปลี่ยนคิดใจของเราได้มหมถ้าคนไม่จริตแบบไหนนั่นก็ใบแบบนั้นมันมีนิสัยอ่ะถ้าเราหัดก็เห็นกายเห็นรูปสักว่ารูปได้ยินเสียงสักว่าเสียงได้กิน่นสักว่ากิน่นไม่เป็นไรก็เรียนทาไม่เป็นไรช่างหัวมัน บางคนพ่อคอยดางครับ่ะมันว่ากูหรือเนี่ยง่ายที่จะเกิดโทโสทําไม่ทำไ ม, ำไมเยี่ยงหมูปองพ่อ เ, เขาา้าล่าเราก็ใจกนร่ำขึ้นมาถ้าคนนี้พึ่กันถ้าเขาด่าเรากลับมาดูตัวเองไม่มีใครเห็นตัวเราสักคับตัวเราเขาเดินทางกลับมาดูตัวเองถ้าไม่เป็นเหมือนเขาพูดก็ เพื่อนใขอบคุณเขาเขาไม่รู้เขาจังพูดจางนั้นถ้าเขารู้เขาไม่พูดคนไม่รู้เป็นคนที่หน้าให้อภัยมากมากไมควรถือสาเรื่องเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นถ้าไม่เป็นนี่ก็ไม่ยอมไม่เย็นละเพราะไม่ยอมร้อนขึ้นมาก็ว่าไม่เป็นไร เย็นมันมันต่างกันถ้าไม่หัดเร้จะพึ่งอะไรถ้าเราไม่หัดตรงไหนเอาใจไว้ที่พึ่งได้ไหมไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้คุ่มไร้คุมดีโกผูแพรบ้างคนนึกกระเพื่ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงมีเหมือนกัน ทำไมไม่มั่นใจเอาใจของเราทาไมไม่มั่นใจเอาใจไปห้อยไปแขวนกับอะไรเอาจิตใจไปห้อยไปแขนกับความรักของชังห่ะไม่ใช่มันต้องเหนือต้องเป็นใจอยู่ตรงนี้จงไม่เป็นอะไรคิดใจต้องไม่เป็นอะไรกับอะไรมันหนดาตา เราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรก็จะไปรวมอยู่ที่ใจอะไรก็ใจรับออกหน้าออกตาใจถ้าเราไม่ฝึกมันจะออกหน้าออกตาสุกทุกทุกถ้าเราฝึกมันไม่เป็นอะไรไม่ไม่เป็นอะไรเหนือโลกโอเนนทาไม่เป็นอะไรเขาเสิร์ฟไม่เป็นอะไร ว่าจะทานถ้าใจไม่ฝึกเอาเนาิาเสียใจโกรธเอาสเสริญดีใจหัวล้อผูแผ่ไม่ใช่ใจเรียกว่าอารมณ์ผูขึ้นดีใจหัวล้อแผบลงเสียใจร้องให้อันนั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจอย่าอาอารมณ์เป็นใจ อารมณ์มันไม่ใช่ใจบางคนไปเอาเอารมณ์เป็นใจตัวถ้ากูได้โกรธตายก็ไม่ลืมเอาความโกรธเป็นใจเอาเป็นกูไปเลยมีไหมคีดหน่อยมีไหม <laughs> ถ้ากูได้โกรธตายก็ไม่ลืมนะถ้ากูได้โกรธกูไม่พูดกับหัวมันเลยนะโกรธให้แม่ก็พูดกับแม่โกรธให้สามีไม่พูดกับสามีมีประโยชน์อะไร แล้วโกรธอะไรล่ะไปจูบไปทุกโกรธนอนหลับไหมถ้าโกรธกินข้าวได้ไมาอันนั้นก็ยังเอาวอาย่ยืดไว้เยอะด้วยเขาว่าก็เราเขาว่าก็เราเใจโกรกันด้วยใจต้งไม่เป็นไรโกรกติดเนี่ยมาทานเห็นจากว่าเห็นได้ยินสากตัวได้ยินเพราะเราฝึกไปดีแล้วมีสติรู้ไม่หคนหิวไป นี่ใจเราเขาหิวไปไหนก็ได้นั่งอยู่โซโกโตเขาหิวไปโน่นไปเฉยเลวเวลานอนก็ไปเขาเขาจะเวลานอนหาเรื่องมาคิดคิดจนนอไมา่หลับบางทีสุขทุกข์ก็จากกับคิดน้อยน้อยเท่านี้ก็สุขใต้ทุกข์ได้คิดขึ้นมาน้ําตาไหลาคิดเฉยเฉยแล้ ว, วนะคิดขึ้นมาแล้วก็กด มีเหมือนกันแค่นั้นหรือคีวิตเราเปะบางขนาดนนเลยอะไรที่เป็นเข่นสารถ้าถึงเขาเกิดเจ็บเจ็บตายทำไงต้องมีแน่นอนถ้าไม่เริ่มต้นไป ม, มันหลงเปลี่ยนหลงไปรู้เนี่ยมันก็ต้องไม่มีทางเปลี่ยนหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกถ้าเราเปลี่ยนแล้วทุกไปเป็นทุกเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญา ถ้าเราไม่ฝึกหัดปัญหาเป็นปัญหาเลยไปถ้าเราหันปัญหาเป็นปัญญาทามทุกเป็นปัญญาไปแล้วพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าปุถุชนเห็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เป็นทุกข์ปุถุชนพระพุทธเจ้าทุกข์เป็นปัญญา ุเจ้าเห็นทุกเทเทสิ่งเป็นพุทธเจ้าของกิ่งมือทุกอนประเสริฐแล้วสวดพระสวดให้ฟังสักหน่อยได้ไหมตีกน้นาถาได้ไหมเ <laughs> อิดอาอไปนงหัวขึ้น ว่าามพระสตรมีไม่ต้องไม่ต้องอ่านก็ได้มีอยู่ในจจำได้เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหน่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นหละเป็นนิพพานมีไหมเปิดดู เขาเชื่อหลวงตาว่ปุตตชนโอทุกขเป็นทุกขุตเจ้าโอทุกขเป็นนิพพานจะว่าอย่างไรนะทุกคนทําได้นะลองดูเถิดนะอ้าทุกเมื่อเราเห็นงูนะเห็นงูจะไปงูกัดล่ะเห็นงูก็พ้นจากงูนั่นจึงเห็นนะนี่เรามหาตัวเนี้ยแล้วมองกระชากเดี๋ยวอาจารย์สรงศิน อาจารย์ถ้าจะสอนเปลี่ยนนะ ห, หน้ามือเปลี่ยนแล้วมันลุกไม่ถุกมันโกรธไม่โกรธมันหลงไม่หลงตรงนี้แน่นอนต้องขวรเจรเวลากับห้องกัน